ขอความสุขความสวัสดีจงมีแล่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดในเรื่องสุ ป, ปพุทธสูตรสูตรที่ว่าด้วยคนโรคเรือนซึ่งชื่อว่าสุ ป, ปพุทธในคราวหนึ่งเมื่อพระพุ้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวัน ลันทกะนิวาปะสถานในกรุงราชคฤึมมีประชาชนเป็นนันมากมาฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุมีพระเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายอยู่นั้นก็มีคนยากไร้อนาถากัดสนคนหนึ่ง ชื่อว่าสุปาพุท ธ, ธะเนื่องจากท่านเป็นโรคเรือนอยู่ด้วยคนจึงเรียกชื่อว่าสุปาพุทธากุ ธ, ธิซึ่งแปลว่าสุปาพุท ธ, ธะซึ่งเป็นโรคเรือนเมื่อเห็นคนประชุมกันเช่นนั้นก็เข้าไปด้วยหมายใจว่า ประชาชนที่มาประชุมกันมากเช่นนี้ก็คงจะมีอะไรแบ่งปันให้เรารับทานบ้างจึงเข้าไปด้วยความมุ่งหมายเช่นนั้นแต่เมื่อเข้าไปถึงก็ไม่มีใครสนใจต่อท่านต่างคนต่างก็ตั้งใจฟังธรรมะ ก, กันท่านก็เปลี่ยนความคิดว่าเราคงจะไม่ได้อาหารอะไรจากชาวบ้านเหล่านี้ เราก็ตั้งใจมาฟังธรรมกันแต่ในขณะนี้พระมหาสมณสโคตมกำลังแสดงธรรมอยู่เราก็น่าจะฟังธรรมจะดีกว่าเรียกว่าเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวมาแล้วเมื่อไม่ได้อย่างหนึ่งก็ควรจะได้อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดใจพุทธบริษัทที่มาประชุมกันทั้งหมดในที่นั้นโดยทรงพิจารณาว่า ใครควรจะได้บรรลุมรรคผลในครั้งนี้ก็ทรงเห็นอุปนิสัยของท่านสุ ป, ปพุทธะไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ <c oughs> จึงทรงยักยายพระธรรมเทศนาไม่เข้ามาในสูตรที่เราเรียกว่าสัมภูรานุสาสนีคือพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากที่สุด อายุสมัยของพระองค์นั่นคือคือหลักของอนุบูพิเกถาคือพระธรรมที่ทรงแสดงไปโดยลำดับให้จบลงด้วยหลักของอริยศัสตร์ทั้งสี่ไปกันซึ่งตามปกติแล้วก็เป็นธรรมะที่แสดงแก่ชาวบ้านโดยทั่วไปคือเริ่มไต่อันดับไปจากนี้ทรงให้อาธิบายชี้แจงถึงผล ดีของธรรมะในแต่ละข้อและผลเสียจากความไม่มีธรรมะโดยดำดับเป็นการฟอกขัดเกลาจริตอัธยาศัยของผู้ฟังให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องบึ้งสูงขึ้นไปจนถึงอริยรสัจสีเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านสุปาพุทธกุจิได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุเป็นพระโสดาบัน มองสรุปสปปรรพสิง่งทั้งหลายในโลกด้วยความเข้าใจที่สั้นๆสรพสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นแล้วท่านก็เกิดปีติปราโมทในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งก็ขอทางประชาชนเข้าไป กราบลงแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าพระทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ว่าพระองค์ทรงสแสดงธรรมระไพเราะเลือเกิดเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นว่า อะไรเป็นอะไรในชีพมืดแล้วประกาศตนถึงพระรัตนารัยเป็นสนะชีพพึ่งชีลึกตลอดชีวิตเมื่อสมควรแก่เวลาก็กลับทูลลากลับไปจะในระหว่างที่ท่านเดินอยู่นั่นเองก็ถูกโคแม่ลูกอ่อนขิดตายวิสูตั้งหลายไปเห็นข้าว ก็มากราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสุปาพุทธกุติถูกโคพิท ต, ตายไปแล้ว ร, รับสั่งว่าไม่เป็นไยหรอกเพราะสุปาพุทธกุติเขาได้ปิดประตูจตุระบายได้แล้วมีกติพบที่ประนีตเป็นพระยะบุคคลระดับโสดาบัน ภิกษุนตงหลายก็สงสัยว่าทำไมพระโสดาบันมาเล่นตายโหงกันอย่างนี้ขุนกราบทูลถามว่าทำไมสุปพุท ธ, ธากุชิจึงกลายเป็นคนยากไรเป็นคนโรคเรือนแต่ว่ามีสติปัญญาแหลมคมมากพระบุมีพภาคเจ้าก็ทรงแสดงถึงผลเหล่า น, นั้นแต่ละข้อว่าเกิดมาจากเหตุแต่ละอย่าง ในการที่มีสติปัญญาก็เกิดขึ้นจากบุญกุศลที่เก็บสะสมบบปมไว้ในพบชาติต่างๆแตใ่ในขณะเดียวกันก็มีอุบัติเหตุของสังสารวัฏเกิดขึ้นคือในอดีตการนานมาแล้วตั้งก็เคยเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีก็มีอัตยาสายดีในส่วนอื่นๆนนก็ดีแต่ก็มีคราวหนึ่งเดี๋ยวมันเกิดพรังพาดขึ้นมา ก็เดินทางไปพบพระปจเจกาพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตัก ร, ระสิกีพระปจเจกาพุทธเจ้าก็แต่งตัวแบบพระก็เกิดรู้สึกดูหมินเพราะว่าดูตัวเองมันก็สง่างามประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งร่างกายที่สวยงามแต่มองดูพระปจเจกาพุทธเจ้าแล้วก็ดูก็ผ้าข่ผมผ้าธรรมดาธรรมดานี่ แต่ทาไมคนให้ความเคารพนับถือยกจ่องก็รู้สึกยังไงขึ้นมาไม่รู้ก็เกิดโตมน้ำลายอ่ะตมน้ำลายใส่พระปัจเจับพุทธเจ้าแล้วก็เดินหลีกไปให้พระปัจเจับพุทธเจ้าอยู่ทางซ้ายมือต่อจากนั้น ก็กลับไปบ้านไอ้ด้วยผลของบาปเหล่านั้นเป็นคือหลายเรื่องนะฮะเป็นอริยปวาระเกิดด่าว่าพระริยเจ้าด้วยแล้วก็หาเรื่องไปไปถมน้ำลายใสย่รบกเจอกับพุทธจจ้ า, จาด้วยด้วยแบบวิบากกรรมนั้นทําให้ท่านต้องไปทนทุกข์อยู่ในรนรกสิ้นกาลนานเป็นเวลามาก โดยเศษวิบากกรรมที่เหลืออยู่จากการทนมน้ําลายใส่พระปฏิเจก้าพุทธเจ้าท่านจะกลายเป็นคนมีโรคเรื้อนได้นขนาดเดียวกันคือแสดงความไม่พอใจต่อพระประเจก้าพุทธเจ้าก็ทําให้ท่านไม่ค่อยเป็นที่พอใจของใครใครไม่ต้องการต้อนรับเกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องสุปาพุทธกุติเฉพาะในพระสูตร จะมีอยู่ในพระคมภีคุตตกานิกายพระไตรปิฎกเล่ม2 5แต่ในขณะเดียวกันในพระธรรมบทอัตกคถาพระธรรมบทส่วนที่ว่าด้วยอตตัคถาพระธรรมบทซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนะฮะแต่อัตัคถาคนละเล่มกันท่านก็เล่าแทรกช่วงที่ สุปพุทธกุฏิหลังจากบรรลุมรรคผลเป็นประสูดาบัณแล้วก่อนจะถูกโคควิตายนะ่ะมันมีเรื่องแทรกกันมาอีกเรื่องพระทัศกะเทวราชได้เห็นสุปพุทธกุฏิได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงคือระดับเดียวกับท่านแล้วต้องการจะทดสอบจิตใจความรู้สึกนึกคิดของท่าน ก็ปลอมตัวมาเป็นเศรษฐีมั่งคั่งแสดงความมั่งคั่งร่ำรวยมากแล่บอกให้ผู้กสุปปุถิพุทธกธุฏิว่าท่านนั้นเป็นคนกำพรายากไรอันนาถาหาที่พึ่งไม่ได้แม้อาหารจะประทังชีวิตไปแต่ละวันก็ลำบากเพราะงั้นขอให้ท่านปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าประธรรมไม่ใช่ประธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ แล้วเราจะให้เงินให้ทองให้ค่าถาดปริวาณทับสินสมบัตินับไม่ได้แก่ท่านท่านจะสวยรสุขอยู่ตลอดไปสุ ป, ปวุธากุจิก็ตนิท้าสากะเทวราชต้มโดยการปรบมือไล่บอกว่าคนเช่นท่านนั้นไม่สมควรจะมากราบกับเราว่า เป็นผู้กรรพร้ายากไรอนนาถาหาที่พึ่งไม่ได้แท้จริงเรามีทรัพย์ที่นับไม่ได้เป็นทรัพย์ที่ติดตัวไปได้แต่ท่านก็ขอยืนยันโดยชีวิตจิตใ จ, จลงไปว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคือพระธรรมพระสงฆ์คือพระสงฆ์ทรัพย์สมบัติของท่านนั้นท่านมีมากกว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิ ทาทกะมีความชื่นชมอนุโมทนาแล้วแสดงพระองค์ให้ปรากฏแต่ท้าทกะก็บท้าทกะคือช่วยป้องกันไม่ให้โควิดไม่ได้ในสุดท่านเดินไปอีกไม่เท่าไหร่ก็ถูกโควิดตายนี่ก็จากที่สองแห่งมาผสมผสานกันก็กลายเป็นเป็นเรื่องราวของท่านสุภพุทธกุธิถึงมีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่มาก ประเด็นแรกก็คือเรื่องความตั้งใจของคนแต่ท่านจะเห็นว่าสุปพุทธกุตินั้นความตั้งใจเดิมจริงๆก็ต้องการที่จะไปขออาหารกินนั่นเองแต่เมื่อแน่ใจว่าไม่สามารถจะได้อาหารในสถานการณ์เช่นนั้นในกลุ่มคนเช่นนั้นและในขณะนั้น ท่านก็มองเห็นคุณค่าซึ่งเหนือกว่าอาหารนั่นก็คือการฟังธรรมะในสัมนัของพระพุทธเจ้าและในแง่ของศัพท์บริษ ธ, ธรรมเราถือว่าท่านสุ ป, ปพุทธกุฏินั้นเป็นบัณฑิตคือเข้าไปในสู่บริษัทใด เ, เรียกปริษัญุตาคือรู้จักบริษัทปฏิบัติตนให้คล้อยตามบริษัทเหล่านั้น ในขณะที่เขาฟังธรรมอยู่เราเข้าไปในบริษัทเช่นนั้นจะไปขอข้ากินมันก็เกิดไปบริษัทก็ฟังธรรมกันอยู่ท่านก็เลยคล้อยตามด้วยการฟังธรรมด้วยจะมองเห็นว่าธรรมานั้นเป็นโอกาสที่ควรจะทํทาท่านก็ได้โอกาสแล้วก็ใช้โอกาสนั้นให้มันเกิดประโยชน์ด้าลักษณะเหล่านี้ในเชิญก็การเปรียบเทียบ ได้นอนการฟังธรรมะก็ดีกว่าการได้อาหารถึงมือเดียวแต่ในแง่ของการดำรงชีวิตเราจะเห็นว่าคนเราบางทีจำนองหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไม่ได้ในสิ่งนั้นตามที่ต้องการบางครั้งบางคราวก็ทุกทรมานเสียใจแต่ถ้าคนที่มีหลักในการดำรงชีวิตเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการจะได้ก็กดยินดีในสิ่งที่เราเราได้ในสิ่งที่เรามีอยู่ จะทำให้จิตใจของตนสบายขึน้นสุปปุตตกติจึงมีแนวเลือกที่ที่คมคายและก็ได้ประโยชน์มากลักษณะทางเลือกเช่นนี้ก็มีอยู่เสมอสมบุบุคคลทั้งหลายซึ่งควรจะเลือกในสิ่งที่กือกูลลอกนและอำนวยประโยชน์ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าบางครั้งบางคามันสลับกันคือของที่เราต้องการจะได้มีค่าสูงกว่าแต่เกิดไม่ได้ เราก็ต้องทำใจให้ยินดีในสิ่งที่เราได้ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเพ็นรักษาคุณภาพของจิตใจเอาไว้ประการที่สองการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอย่างตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายได้พบมาโดยลำดับในประสูทธ์ไปตามปกตินั้นจะมีอยู่สองแนวหรือเราอาจจะพูดว่าสามแนวก็ได้ แนวหนึ่งนั้นที่เกิดขึ้นจากการสวดดูสัตว์โลกในเวลาใกล้ดุงแต่ในกรณีนี้ทรงรู้ไว้ก่อนแล้วว่าคนที่ทรงแสดงธรรมนั้นจะได้บรรลุมรรคผลอัปไรยด้วยการแสดงธรรมะอัไรยก็เรียกว่าทรงไม่ทร ง, ทร ง, ท, รงทรงรู้เกี่ยวกับข้อมูลภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้นอำนาจบา ร, รมีธรรมที่คนเหล่านั้นก็สั่งสมอบรมไว้ ตลอดถึงท้อยคำที่จะพูดแล้วก็สืบความหมายให้คนนี้ดึงเอาบารมีธรรมในอดีตขึ้นมาใช้ได้และทรงสรุปผลในตอนสุดท้ายว่าจะจบลงด้วยอาการอย่างไรแต่คนเหล่านั้นจะได้บรรลุมรรคผลอะไรนี่ก็เป็นเป็นแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการแสดงตามกลุ่มคนที่เข้ามาประชุมกัน ซึ่งในกรณีนี้บางครั้งระดับมันใกล้เคียงกันคยกว่าพอจะพูดในแนวเดียวกันได้แต่มันมีอะไรจะต้องปรับจึงเคยพูดถึงเรื่องการปรับอินซีคราวนี้ท่านทั้งหลายสังเกตได้ื่วยไปเลยคือไม่ว่าจะจับตรงไหนก็ตามเร า, เราลองดูตัวอย่างที่ เ, เสด็จไปโปรดคนมากที่สุดคราวแรกก็ส2องนหุดคือแสนหนึ่งแสสองหคน บริวารพระเจ้าพิมิสารกับพระเจ้าพิมิสานในคราวนั้นปัญหาเรื่องอื่นไม่มีมีปัญหาที่ศรัทธาคือคนแต่ละคนนั้นศรัทธาไม่ไม่ไม่สัมพันธ์กันบางคนยังมีมานะ ก, กระด้างบางคนยังมีความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าระหว่างพระพุทธเจ้ากับท่านอรุปริลาการสปะนั้นใครคือาศาสตราที่แท้จริงเพราะอายุแล้วท่านอรุปริลาการสปะแก่กว่า นเหล่านั้นก็คุ้นเคยกับท่านหนูรูเวลากัศปะมากอ่อนแต่ว่าในในสถานการณ์นั้นพระพุทธเจ้ากับประทับอยู่ข้างหน้าแต่ความเครียดแกร่งสงสัยก็ดีแต่ความมานะก็ด่างก็ดีมันปิด ก, กั้นไอศรัทธาเอาไว้แต่วิริยะสติสมาธิปัญญาผมก็เดินไม่ได้ทั้งๆที่เขามีนะฮะเขามีอยู่ในระดับใกล้ใใคเคียงกันพระเจ้าก็ต้องหาวิธีปรับศรัทธาเจ้ากัน รับสถิตินซีอินรีคือสถาให้ได้เสียก่อนโดยให้ช้น้ํายออเอา้ําบ่งคือเขาเคลือบแครงสงสัยว่า ว, าวาระหว่างพระอง์กับท่านอรุปริกัสปะว่าใครเป็นฐาสดาใครใหญ่กว่าเล็กกว่าก็ให้ท่านอรุวรากัสปะเป็นหนามย่อกนามได้ยคือสแสดงสถานะตัวเองแล้วก็ชี้แจงเหตุผล ถึงการที่สละละชิงความเป็นคณาจารย์เจ้าลัชชีมาเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ในสุดเมื่อพระอรุเวลากัสปะได้แสดงแต่ท่านจะเห็นว่าแสดงสองสถานะที่จริงมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเลื่อนลอยกันไปบนอากาศทีละเจ็ดลำตานเจ็ดลำตาเจ็ดลำตานฮะไม่ใช่ทีลําำตาลลำตานนะขึ้นไปถึงเจ็ดลตาล ไม่มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นแต่พระวูาเวลาการสบตาท่านก็รู้นะฮะประการแรกคือคนมากคนไม่เห็นกันต้องการให้คนเห็นประการที่สองคนไม่ได้สงสัยในประเด็นนั้นประเด็นเดียวแต่มันมีมาณอยู่ด้วยมันมีกระด้างอยู่ด้วยไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าก็หน้าอ่อนนะฮะคือสา้าพรรษาและคนรูปงามด้วยยิ่งอ่อนใหญ่เลย คนเหล่านั้นก็แก่ท่านท่านรู้ว่ากษัตริกับริยสะปะท่านก็แก่กว่าดังนั้นเพื่อลดมานะกระด่างให้เห็นว่าขนาดลูกศิษย์นลอยขึ้นไปบรอากาศได้อาจารย์ขนาดไหนโดยพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปแสดงอะไรแต่ลูกศิษย์แสดงให้เองเพื่อลดมานะของไอ้พวกพวกที่กระด้างในมานะแต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อยืนยันให้เห็นว่าการบูชาวควายการทําอะไรต่างๆนั้นไม่ไม่เป็นทางที่จะให้เกิดความ สุขอย่างแท้จริงได้เพื่อดึงเอาความคิดที่คนเหล่านั้นเคยศรัท ธ, ธาในอาการบูชาไฟการทรมานร่างกายการร่างตัวบรรลุ่านเปลืงนี่ออกมาให้ได้แต่ก่อนเป็นการปรับสถาพอปรับศรัทธาเสร็จพระเจ้าก็เทศวิริยะสติสมาธิประจค่ะ เ, เดินเขาเองนะฮะเพราะก็มีอยู่แล้วพร้อมแต่ทีนี้ไอ้ศรัทธามันหัวไม่เด็กได้ไม่ได้จ่อต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องแก้ตัวนี้แต่ก่อน พอปรับระดับเดียวกันเราจะเห็นว่าปรับได้มากเพราะวัจบบรรลุมรคลถึงแสนหนึ่งหมื่นคนขาดไปหมื่นเดียวนั่นเองขาดไปหมื่นเดียวคือไม่บรรลุมรคลแต่ว่าก็ถึงพระจัยสนาคมแสดงว่าพวกนี้ยังไม่พร้อมทุกระดับนะฮะคือยังยังไม่มั่นคงทุกระดับนี่เป็นการเป็นการเทศมุ่งผลรวมเลยมุ่งผลในส่วนรวม แต่ถ้ามีปัญหาก็ปรับกันก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยดังนั้นแนวเหล่านี้เขาเรียกว่าแนวอย่างอย่างที่ใช้ในกรณีนี้เขาเรียกว่านิกหะมุขะเทศนะกำราบก่อนปราบพื้นที่ซะก่อนแล้วก็เทศสอนกันทีหลังเพราะคนยังกระด้างกิกะอุ่นวายมากทีนี้อีกแนวหนึ่งนั้นคนสับสนหมดเลยไม่พร้อมะฮะ ไม่พร้อมันก็ต้องมุ่งเอายิงยิงลูกโดดเลยจะยิงใครเลยจะเอาตรงไหนร้อยคนเอาคนเดียวเอาคนเดียวสองคนก็เอาคนอื่นปรับคื้นไว้เขาเรียวกว่าขัดเกลาวไว้ไว้ว่ากันวันหลังแต่ตรงนี้จะยิงลูกโดดอ่ะทีนี้ไอ้ยิงลูกโดดเนี่ยไอ้คนมาเป็นกลุ่มกลุมเนี่ยมันก็ต้องตรวจ ด, ดูก่อนพราะพุทธเจ้าไม่ได้ตรวจไว้ก่อนตรวจตัวก่อนมันก็ตรวจในผลทั่วไปแล้วก็อจัดการไปแล้วตัวนคนที่มาเฝ้ามก็มาด้วยมาทยอยกันมาเรื่อยเนะย วันๆอย่างที่เคยเล่าว่าพระพุทธเจ้าเทะกันทั้งวันเนี่ยเทะกันทั้งวันคนทยอยมาคนนั่นเคว้าคนนี้ออกคนน้อนเคว้าคนนี้ออกยากมาไปที่วัดป่าสารวัตรนะเห็นเจ้าคุณชินโออันนี้เทะจังเลยนับคนก็แต่วันๆเนี่ยท่านก็นั่งอย่างนั้น่โยงก็มาทีห้าคนสิบคนยี่สิบคนเท่ากับเทศจะเรื่อยอย่างนั้นมาก็เสร็จแล้วก็กลับก็หมุนวนกันอย่เงี้ยเป็นวันๆซึ่งพระพุทธเจ้าเรานึ้ดูขนาดไหนคนที่มาหมุนวนกันอย่างเงี้ยนี่ก็ ต้องยิงลูกโดดอย่างไนกรณียิงลูกโดดที่เล่าใฟังเรื่องเปรศกาติดาวัตถุนะฮะทิดาในช่างหูกที่เล่าออฟังเมื่อก่อนนะจะเห็นว่าพระเจ้าเสด็จไปมุ่งเป้านั้นนะมุ่งอยู่เป้าเดียวแต่ว่าเป้านี้ตรงหมายไปแล้วพอดีแกเกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้พระเจ้าก็ต้องนั่งคอยเฉยเให้ได้เทศอะไรเลยคนก็มานั่งเฝ้าอยู่เสวยจก็เสร็จเสร็จแล้วอะไรก็นั่งประทับเฉยยังไม่เทศอันนี้เพราะเป้านั้นยังไม่มา นี่เป้านั้นหมายไว้แล้วตอนนี้เป้ายังไม่ได้หมายนะคือเป้านี้ท่านท่านสุปปุษฏะท่านก็เพิ่งมามาก่อนที่จะเทศพระพุทธเจ้าก็กำหนดดูคนทั้งหมดก่อนแล้วจะเล็งที่เป้าไหนนะก็หมายเป้าวไว้แล้วก็เล็งคนเดียวเลยเล็งสุปปุทธะกุติในสุดก็สำเร็จนั่นคือวิธีการของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นถ้าเราศึกษาถึงเบื้องหลังว่าทำไมเทศปป๊าๆตึงบรรลุ ก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะมีระบบมีวิธีทํางานที่มีระบบมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขทุกอย่างทุกกรณีเลยพระเจ้าจึงทํางานสําเร็จมากต้องมีพระาญาณกําหนดรู้ปั๊บจะเทศใครเทศอะไรเสร็จทีนี้ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าอนุบุพีคถาก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์นะพูดเรื่องทานเรื่องศีลผลของทานผลศีลแล้วก็แสดงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขในปัจจุบันภายภาคหน้า ถ้าเดินได้ก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะไปะสวรรค์แล้วก็ทรงแสดงถึงโทษของกามโทษของกามคือแม้แต่จะเป็นทริปจะเป็นของมนุษย์จะเป็นทริปจะเป็นอะไรก็คื อ, ค, อคือกามนะฮะกามมันก็มีปัญหาสารพัดจนคนเห็นตามคล้อยตามต้องการที่จะสลัดตนแ ห, หลุดพ้นจากเรื่องเหล่านั้นพระองค์ก็แสดงทางออกให้ในคำนมั่นในสมแต่อย่าลืมว่าว่าแต่ละจุดจะต้องตอกยามเมื่อมันเดินไม่ได้ แสดงทานแสดงศีลแสดงทานแสดงแสดงทานเนี่ยแต่คนยังไม่พร้อมจะรักษาศีลพุทธเจ้าก็เน้นที่ทานเนี่ยเน้นที่ทานอยตรงเนี้ยเอาให้มันได้ทุกอย่างให้คนอะคื อ, ค, อคือไม่ใช่ว่าจะขึ้นพรวดพุ่ทีเดียวห้าข้อไม่ใช่อย่างนั้นไม่ขึ้นนะฮะถ้าขึ้นหมายความว่าใจคนขึ้นตามได้เปล่าถ้าขึ้นตามไม่ได้ก็ไม่เทศอะว่ากันตรงทานตรงเนี้ยอธิบายให้เอาดีตรงนี้ให้ได้เอาดีตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้ววันหลังก็พูดเรื่องศีลกัน ซึ่งในกรณีนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะไม้แต่อาจจะสังเกตจากตัวเองก็ได้นะถ้าเรื่องทานเท่าไหรทําบุญเลี้ยงพระเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยชอบกินเลี้ยงนะฮะงานทําบุญเลี้ยงพระเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลยสนุกกันจังยิ่งต่างจังหวัดนี่โอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะรับประเค้นไม่อยู่เลยลนะกว่านัทเลี้ยงพระเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเลี้ยงพระโยมจะรับศีลก่อนในะชักไม่ค่อยยอมราตนาสีนไม่เป็นนะ โยมรับประทานอาหารแล้วฟังเท้กันหน่อยนะยมีธุระกลับหมดอะยังเหลือยี้าเปอร์นตก็บุญแล้วนี่เราจะเห็นว่าลักษณะของจิตยิ่ยังไม่ขึ้นอ่ะยังไม่พร้อมอ่ะยังพร้อมลองดูไว้แม่างานไหนงานนั้นนะเวลานี้พระต้องใช้วิธีปิดประตูตีแมวเลยนะแท้จะก่อนถวายทานเท้จะก่อนถวายทานตีแมวไม้ได้ไม่ยอมฟังเทศถ้าพรอยจะ ก, กินข้าวเสร็จก็กลับหมดเลยไ ม, ไม่ต้องทํากันฮะต้องวางแผนนะ เวลานี้ต้องวางแผนนี่แล้วต่อไปก็คงจะใช้แผนนี้มากขึ้นนะฮะเช่ น, เ ช, นเช่นว่ามาค้าวิสาขาอาถานหาเนี่ยจะจะพบว่าถ้ารอให้เวียนเทียนเสร็จจึงเทศแล้วจบเลยะฮะจะได้คนแก่เฝ้าโบสถ์อยู่ไม่กี่คนนะฮะเสร็จแล้วก็เทศได้เสาฟังเรียบร้อยประโยมหลับหมดเลยเดึกๆกขึ้นมาวิธีที่เราจะทำก็คือว่าเอาอยัางไงล่ะคนบอคนเริ่มมาพอเห็น เกาะกลุ่มได้แล้วเริ่มบรรยายเลยบรรยายข้าวหูไปเรื่อยๆฟังกันเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอเป็นทอนเป็นทอดจนคนพร้อมอะเราต้องแก้วิธีนั้นเพื่อจะให้คนเข้ามาวัดแล้วมันไม่ใช่ว่ามาอยู่เฉพาะเดินเวียนเทียนแล้วก็เดินคุยกันอะไรต่างจึงจึงมันไม่ได้ประโยชน์อะไระนี่ก็คือวิธีนะฮะ เป็นวิธีที่จะไต่ขึ้นไปไตยได้ก็ต่ยตายไม่ได้ก็ไม่ไต่แต่ว่าท่านสุปปุทธกุฏิท่านตายได้เรื่อยๆใจท่านวิ่งได้เรื่อยพระเจ้าก็ขึ้นไปการมาทินบุปคือโทษของการโทษงการแสดงอนิสงส์การบวชนะแล้วก็ขึ้นไประยศาสตร์ทั้ง4ชี้สงทุกข์ชีสมุทยนะัยชี้ทุกข์จนเห็นหน้ากลัวว่ามันมาจากไหนก็ชี้ที่สมุทยัยวิธีของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกับวิธีที่นี่วิธีที่อจิฏถามต้องว่ามานานแล้วนะฮะอยัง อ, ยงอีกข้อนะนะปัญหาจิตมอ แกจะเห็นว่าแกถามผลตลอดเลยถามผลตลอดแกรู้ผลนะแกเห็นผลนี่มันปรากฏกับสายตาแต่เหตุมาจากไหนไม่รู้เหตุมาจากไหนไม่รู้สักข้อเดียวฮะโลกคือหมูสัตว์อันอะไรบิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดแกรู้ว่ามันปิดบังไว้แต่ไม่รู้อะไรปิดนะแกถามผลตลอดลองลองสังเกตท่านกําหนดมาตั้งแต่ตอนต้นเลยปัญหาความชิดมา น, นุ่เนี่ยถามผลตลอดเลยไม่เคยถามเหตุสักข้อเพราะเหตุแกแกรู้ผลตลอดนะฮะถามถึงเหตุไม่ใช่ แกรู้ผลตลอดแกถามถึงเหตุผลเนี่ยแกเห็นอยู่โลกถูกสัตว์ปิดบังไว้ถูกกระแสะพัดพาไปมีความทุกข์ครอบงำอะไรเป็นเป็นภัยกับสัตว์เนี่ยฮะมีภัยสารพัดอะไรเป็นภัยที่ใหญ่เนี่ยแกถามแกมาได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวผลเนี่ยแกเห็นเพราะมันปรากฏนะไอ้ทุกข์สัตว์กันเหมือนกันมันเป็นผลที่ปรากฏพอพูดออกมาง่ายพาอศึกษาไปหาเหตุก็ซีที่ ที่สมุตัยก็แสดงไปโดยลำดับในสุดก็บรรลุกมักผลนิพพานบันลุกมักผ ล, ผา ล, กากผลตามแนวที่คนอื่นก็ได้บันลุนะฮะก็แนวเดียวกันเนีย่คือแนวการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเาขึ้นอยู่กับกรณีอะไระกรณีอะไรจะแสดงยังไงแสดงเป็นเป็นรวบไปหมดเลยมันก็ได้หรือแม้แต่ปัญจวคีท่านท่านจะเห็นว่าพุทธาก็ยิงลูกโดดปังปังปงปงปงทีละคนทีละคนนะครับ ครั้งแรกก็ปรับพื้นฐานนะฮะไม่ได้เรื่องเลยได้องค์เ <nh> ดียวเทศนาธรรมจักรวัตนสูตรตั้งกันใหญ่ได้องค์เดียเองเสร็จแล้วก็ต้องนั่งปรับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอยู่ห้าวันเรียกมานั่งคุยกับแต่ละคนแต่ละคนการกล่าวกิเลสกันเสร็จแล้วพอพร้อมมันก็ยิงโดยอนัตตลกันนัสูตรแป้งเดียก็เป็นมรุอรหันหมดนั่นก็คือวิธีของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าหลากหลายโลดแยะไปหมดเลยวิธี สารพัฒนามานึกว่าถ้ารวบรวมวิธีเหล่านี้ขึ้นมาให้ทั้งหมดนะฮะเป็นตาราได้เล่มหนึ่งเลยเตำนาได้เล่มแล้วจะใช้ในการอบรมการสั่งสอนได้มากว่ามีลูก <c ười> คือคือคือจำนวนชาวบ้านมันมีลูกเล่นเยอะนะ <c ười> มีลูกเล่นเยอะเลยที่จะใช้คนนิเทศอย่างเงี้ยไปได้อีกคนหนึ่งก็ไปอีกแนวนึ่งก็ว่าไปเรื่อยๆแต่ว่าเป้าหมายไม่เคยละเป้านะฮะพระพุทธเจ้าไม่เคยทิ้งเป้าเป้านั้นต้องการคาจัดทุกสร้างสุขนั่นคือเป้าทุกทีเลย สางประโยชน์เกื้อกูลนำนวยความสุขแก่ผู้ฟังแต่ว่าระดับไหนชั้นไหนนะแล้วก็เจาะจงยังไงมีมีขั้นตอนยังไงก็บ้ากันเป็นกรณีกรณีเออทีนี้การต่อไปก็คือการสันเริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสูตรนะฮะเอามายังนึกว่าอินเดียสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเจริญนะฮะแต่ทีนี้มันรักษาไม่ได้อะ เพราะถ้าเราดูอะไรนะซากปราหักหักพังที่ขุดค้นพบที่โมเฮนโจดาโรอนะครบมันบ้านเมืองมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะในความคิดความอ่านเครื่องประดับอะไรเครื่องก่อสร้างไอ้สิ่งที่นํามาก่อสร้างต่างๆที่จะเรียกว่าในคมภีเราอย่าลืมนะครับว่าพระณกรรมพีอย่างน้อยเนี่ยมันก็อะไรพันห้าร้อยปีนะพันห้ากว่าปีแล้วเขียนไว้เนี่ยเฉพาะเฉพาะอัะออตกระถาไม่ใช่พระไตรปิฎกนะฮะพระไตรปิฎกมันก็มีมาตั้งตั้งแต่นนทนมา แล้วก็สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในคัมภี์เหล่านั้นต้องแสดงเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมันเจริญมากเลยไอศิลปะหัตถกรรมอะไรๆเนี่ยมันก็เจริญนะฮะแต่ทีนี้โลกมันก็มีความเสื่อมความเจริญอินเดียมันก็หลับไม่ตื่นอย่างเงี้ยมันก็หลับอีกนะครับมันหลับอีกเอ่อมาจนถึงไอยกย่องยกย่องสรรเสริญมาธรรมเทศนามันเป็นสูตรนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนานมาแล้วว่าแปลกที่ว่าเป็นสูตรไปหมดเลย เจนคำด่ามีอยู่สามสูตรจับได้นพระคำผีมีอยู่สามสูตรสูตรหนึ่งนี่ด่าหยาบคายมากเลยภาษาตลาดนะฮะด่าอยู่สิบคำด้วยกันด่าหยาบมากไ อ, าไอ้ล้าไอ้อูดไอ้คนโง่ไอ้สัตว์นรกกระูกวายหยาบพระพุทธเจ้าเคยโดนหลายงานสูตรหนึ่งนั้นดา่าก็เรียกว่าด่าที่พูดดีขึ้นมาหน่อยนะฮะกระทบกระเทียบสูงต่ำดำอะไรแต่ไรนี่คือเปรียบเทียบ ก็เรียกว่ากระทบกระเทียบนะหลีกแนวหนึ่งนี่ด่าเป็นเป็นปรัชญาเลยด่าฟังไม่ออกเลยด่าเป็นปรัชญาเลยแปดคำอันนี้แปดคำไอ้สิบคำนะสองชุดนะฮะไอ้แปดคำนี้ชุดหนะึ่งฟังไม่ออกเลยคือหมายความว่ า, าขึ้นอยู่กับใครฟังแล้วก็จะตีความยังไงก็จะตีความยังไงว่าเช่นว่าเาชคุฉี อากิริยะวาโดเชคุตชีตาปสีอะไรแต่ไรเนี่ยแปลอย่างไงก็ได้นะฮะเช่นว่าอากิริยะวาโดอุเฉตวาโดอากิริยะวาโดก็กล่าวว่าขาดศูนย์นะอุเฉตวาโดเออไม่ใช่อุเฉตราวาโดก็กล่าวว่าขาดศูนย์อากิริยะวาโดก็กล่าวปฏิเสธการกระทํากำปฏิเสธกรรมคือการการกระทําเชคุตชีแปลว่ารังเกียจนะ อธิบายดีก็ได้แต่ว่าเชกุตชีรังเกียร์เราอธิบายรังเกียรบาปก็ได้อกิริยาบาโดเราอธิบายการไม่กระทาบาปก็ได้สันเสริญการไม่กระทาบาปก็ได้อุเฉตวาโดคือคือถือว่าขาดศูนย์หมายความหมดกิเลสก็ได้คือตีดีก็ได้ตีตีไม่ดีก็ได้เวลาใครด่าพระพุทเจ้าพระพุทธเจ้าตีดีเป็นเทศการนึงเลยเป็นเทศการนึงเลยเรียบร้อยแล้วถูกคนด่าบรรลุมรรคผลด้วย ดา่ดามาข้อก็เทศต่อให้เลยอธิบายเสร็จเออเราเป็นอย่างนั้นจริงเราเป็นอย่างนั้นจริงนะพวกนี้ก็สะใจนะว่าพระพุทธเจ้าเจ็บใจแล้วถูกด่าแล้วเสร็จแล้วก็อธิบายต่อด้วยไปเออเราค่าทีนค่าทีด่าไม่โกรธแล้วก็ชี้อธิบายเอาเป็นประโยชน์จากคำด่าเหล่านั้นตรง น, นั้นในสูตรการสรรเสริญ น, นั่นก็เหมือนกันสรรเสริญเหมือนกันเลยคือแสดงไว้คล้ายๆวางเป็นระบบไว้เลยว่าสรรเสริญอย่างเนี้ยสรรเสริญกล่าวคำนะฮะกล่าวคําต้อนรับในกล่าวคํำยังไงนะฮะ ออของเรานี่อะไรพิคายุกโกโหตุมหาราชานั้นเป็นการสันเสริญคืออยู่ที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าก่าวต้อนรับและกษั ว, ก, วกตันเตมหาราชาอธโทตูโดรมากตังอ๋อพระองค์เสด็จมาดีแล้วนะนานแล้วไม่ได้พบพระองค์พระองค์เสด็จมาดีแล้วขอให้ขอขอให้ได้รับความสุขทำต้อนรับสูตรอย่างนี้ทุกทีเลยเจอทุกงานเหมือนกันนย เดือดุ ง, งานเหมือกนกันสวักตันเตมหาราชะสวักตันเตมหาราชะสวักตันเตใครก็ได้นะฮะมหาสมณะสวักตันเตอุปัสกะก็แล้วแต่แต่ขึ้นสวักตันเตกันทีน่นี่เป็นสูตรเลยเพราะในคําสรรเสริญเนี่ยสรรเสริญให้เป็นภาพขึ้นมาเลเหมือนงายของที่คว่ำนฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าภาพมันก็เกิดเลยงายของที่คว่ำการสอนพระพุทธเจ้านั้นของคว่ำใเราไม่รู้อะไรเลยเพราะงายขึ้นเราก็รู้เปิดของที่ปิดของปิดเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็เปิดเคล็ดมาบอกทางแก่คนหลงทางคนหลงทางไปไม่ถูกพระเจ้าก็บอกทางให้มันเป็นความจริงอย่างนั้นด้วยแล้วไอ้สิ่งที่อุปมาณนั้นเป็นภาพให้เห็นถึงพระธรรมเทศนาที่ส่งแสดงนะฮะงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดเพื่อคนมีตาจะได้เห็นผู้ดีน ะ, ะคนต้องมีตานะธรรมะนี่ยธมาในพุทธศาสนาต้องมีตาถ้าไม่มีตาถ้าไม่มีตาแล้วก็จบเลย ตาในที่นี้คือตาปัญญาปัญญาจักสุต้องมีตาปัญญาจักสุแต่ท่านชี้ภาพได้ดีมากท่านบอกว่าเหมือนสองประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุจะได้เห็นถึงเราสองประทีปถ้าคนตาบอดแล้วก็ไม่เห็นภาพเห็นเห็นภาพสวยไหมภาพสวยมากเลยเป็นการเคลื่อนไหวออกมาเป็นภาพได้ท่านอุปมาสวยมากต้องมีตา แม้แต่ว่าจะบวชอยู่ภายในวัดจะเป็นอุบาสกบาตริกาอะไรแต่ใดก็อย่างที่พระเจ้าว่านะฮะคือบางทีมันก็เป็นทัพพีเป็นทัพพีตักแกงหรือว่าเป็นอะไรเกาะชายพระเหลืองของพระองค์ไปก็ไม่ไม่เห็นธทำไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเห็นรมได้ธรมะจะต้องเกิดจากปัญญาจากสุขคือพิจารณาเห็นเลยพิจารณาเห็นคุณค่าของธรรมะว่าเป็นสมบัติทีแท้จริงเป็น เป็นสิ่งที่สร้างสรรพัฒนาชีวิตของบุคคลได้อย่างแท้จริงก็เราน่าดีใจอย่างนะฮะว่าเวลานี้ในวงการต่างๆโดยเฉพาะวงการนักวิชาการวงการบริหารแต่เกิดสนใจในเรื่องนี้เรียกว่าเกือบจะทุกจุดเดี๋ยวนี้ปรับกันใหญ่เลยวองปรับกันใหญ่ก็รู้สึกะรู้สึก ในอินทราคันธีได้กล่าวว่าก่อนตายไม่กี่วันเนี่ยว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ดีวิเศษจึงสามารถสร้างสันติสร้างความสางบให้เกิดขึ้นได้แต่เราไม่สามารถจะเอามาใช้ได้ไม่สามารถจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ได้จะตัสกล่าวไว้เมื่อเมื่อเดือนี่แลนะฮะต้นเดือนธิแลเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าเพราะอะไรเพราะตาราบอดตาบอด ไม่ยอมไม่ไม่ยอมทั้งๆ ท, ที่ประเทศมันมีนะฮะแต่เราก็ไม่เห็นฮปัจจุบันนะไ ม, ไม่ใช่ไฟส่องประทบทบธรรมดาแล้วองไฟฟ้าแลนะ้แต่ก็ยังไม่เห็นเวลานี้ก็มีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าเราก็ตื่นตัวขึ้นมากวงการทังการศึกษาทั้งระดับราชการนะครับถ้าว่าตื่นได้ตลอดมันก็ก็ความหวังนะฮะเราคาดหมายไว้ว่า ต่อไปก็คงจะมีอะไรดีขึ้นแต่ถ้าตื่นพักๆเหมือนไอ้กระต่ายกระต่ายตื่นตูมเมือนกับไอ้กระต่ายวิ่งแข่งกระเตาก็ลำบากตื่นๆหมื่นห้าอย่างนี้คงจะไปไม่ได้ก็มันก็ตื่นนะมันต้องตื่นให้ตลอดทีนี้ในตอนต่อไปท่านจะเห็นถึงว่ายานความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการมองภาพรวมเลยนะ มองภาพรวมว่าอะไรก็ตามมันเกิดดับเกิดดับอ่ะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามธรรมชาติอเราก็เกิดดับเกิดดับมันเกิดดับอยู่ทุกขณะนะฮะสรุปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นด้วยกฎเกณฑ์นี่มันขายยังไงก็ตามสิ่งนั้นทั้งหมดดับเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยอันนี้จังอันนี้จังทุกขังกนักตานก็คือเกิดขึ้นดับไปดับไปแต่มันเห็นได้ยญาณจริงๆเลยเห็นได้ยญาณจริงๆอ่ะเพราะอันของเราเพราะ ความเห็นในชั้นนี้จะเห็นว่าสมมุติว่าของเรามันแตกไปก็ของเกิดขึ้นน้ำกรดับไปก็ดับไปก็ธรรมดานะ่ะมันธรรมดานะ่ะไอ้เกิดขึ้นไม่ดับนะ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาแต่สิ่งทั้งหลายในโลกไม่ว่ารูปหรือนามนะฮะยังกินจีสมุติไดย่าธรรมังสบันตานีถถถ่เราได้ธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดานั้นคือดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนั้นนะฮะมองโลกหมดรวมเป็นานามรูป นา ม, มารูปแต่นั้นเนีทั้งนั้นนะฮะลองแตะตรงไหนไม่นามก็รูปไม่รูปก็นามแต่ว่าความเป็นนามเป็นรูปนั้นมันมีอยู่ในสิ่งเดียวกันแต่ว่าคนละช่วงขณะกันเช่นอันเนี่ยเป็นรูปความรู้อันนี้คือไมโครโคนะเป็นนามในนี้มันก็มีทั้งรูปทั้งนามนะชื่อที่เรียกขานสภาวะของมัน อ, อ, อ, อะไรเนี่ยประกอบไปส่วนต่างๆดินน้ําลมไฟก็มานเนี่ยมันก็เป็นรูปใช่ไหมแต่ว่า การรู้การแตะต้องความจำของจำมันรู้มันอะไรมันก็เป็นนามดังนั้นในสิ่งทั้งหมดมันก็รูปนาม น, น, นั้นเองรูปนามมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะสรุปโลกทั้งโลกเลยนะที่ไปคล้องติดของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราประสบดาบันสรุปเพว่เดียวบรรทัศน์ยอย่างนึ่งแต่สรุปที่สําคัญที่สุดคือลากิเลตได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาของหายมันก็ธรรมดาญาติพี่น้องตายมันก็ธรรมดาเนี่นะ ก็ธรรมดาทั้งหมดเลยปฏิบัติได้2ช่วงอย่าที่บอกไงว่าช่วงสมมติก็ปฏิบัติในระดับสมมติธรรมระดับสมมติระดับในในพวกขีหิบินัยพวกอธิโทกพวกอะไรที่เคยพูดมาแล้วนั้นนั้นคือชั้นของความจริงในชั้นหนึ่งแต่ว่าชั้นนี้พูดถึงความจริงชั้นหนึ่งเพราะนั้นพระโสดาบันทุกรูปพระัญญกุณฑัญญาก็เหมือนกันนะฮะนั่นจะเห็นว่าพอจบพระธรรมเทศนาก็แลนะ ทำมาจักษุได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านโกนธัญะว่ายังกินจิตสมุดะยะธรรมังสบันตังนิโรธาธรรมังนิเทศมาตั้งหลายปีนะครับ ม, มาถึงคนนี้ก็อีกอะยังกินจิตสมุดะยะธรรมังสบันตังนิโรธธรรมังเหมือนกันนี่ยมันจะเห็นเหมือนกันเลยความขัดแย้งของพระอริยะยังไม่มีให้ลองสังเกตนะฮะในพระไตรปิฎกพระอริยะทั้งหลายท่านไม่เคยขัดแย้งกันเลยปิดกับพระอริยะในลูกศิษยแต่งตั้งให้สมัยนี้ชนกันโครมโรมในกาอากาศจนกันเอง เพราะมันไม่เป็นพระอริยะนี่การขัดแย้งสแสดงว่ามไม่มีไม่มีความเป็นอริยะพระอริยะจะพูดเรื่องเดียวกันแล้วพูดเหมือนกันเลยภาษาในบุตรพูดยังไงก็พูดเหมือนพระพุทธเจ้าพูดพระอาโไปพูดก็เหมือนกั น, เ, นเหมือนกันอย่างนั้นทุกทีดังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมะที่สแสดงมาในพระสูตรที่เจอเรื่อยนะอย่างเจนพูกสติปัญญานี่เจอเรื่อยเจอเรียอเกือบทุก ง, งานนะฮะเจอสติปัญญาเกือบทุก ง, งานเพราะว่าสติปัญญามปนตัวพัฒนาเนี่ย ต, ตัวที่เราขาดไม่ได้ตัวแสดงความเป็นคนนะฮะเป็นคนที่เป็นวินยูชนซึ่งสามารถเสริมสร้างจากจุดที่มีอยู่แล้วไปไปให้มากยิ่งขึ้นจนเข้าถึงความสมบูรณ์เป็นพวกที่เรียกว่าพัฒนาได้ท่านใช้คำว่าพุทธเวไนคือพวกที่ฝึกปรือให้เรียนรู้ได้ซึ่งตัวการสำคัญก็คื อ, ส ต, ญญอนนะสติปัญญาเจอทุกงานนะฮะสติปัญญาเจอทุกงานตั้งแต่รับศินตั้งแต่อะไรมาตั้งแต่ให้ทานนะ้วทุกเจอทุกแผงนะ ติปัญญานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องพูดซ้ำเพราะเป็นสิ่งแต่ต้องมีตลอดนะฮะยิ่งจะต้องมีตลอดไปทิ้งไม่ได้เลยทีนี้ประการต่อไปท่านจะเห็นถึงสภาพจิตที่ผ่านการทดสอบเลยเสุ ป, ปพุทธะนี่สอบได้นะสอบผ่านนะพอออกนอกวัดโดนสอบเลยโดนทาสกะมาสอบและล่อด้วยซับเหมาหลา น, นะ อามาว่าถ้าใครเอาทรัพย์อย่างงั้นมาทดสอบชาวพุทธสมัยนี้นะฮะคงเหลือไม่เท่าไหร่แล้ววัดในวัดวัดเดีวคงเหลือพระไม่กี่องค์ <c oughs> เอาเดีให้สักร้อยล้านเนี่ยให้ตึกให้รถให้บ้านเน <c oughs> อีอปฏิษษษเสธพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าประทําไม่ใช่ประทับพระสงไม่ได้พระสงค์ก็ช่วยไปเผยแผ่ด้วยไปเยอะไปเยอะเลยเอาม า, าเคยบอกบอกแล้วออกจะเชื่อนะฮะว่าที่ลาวกขาล้างพระสงฆ์ในลาวได้เ น, นี่ยคอมมินิตกําลังพระสงฆ์ในลาวได้ก็ใช่เงี้ยใช้เงินนี่ย ใช้เงินเอาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยพูดนิ่มๆมีตำแหน่งว่างอยู่แยะใช้ปริญญาเก้าประโยคเงินเดือนท่า น, น, นั้นตอนนั้นตอนนั้นการปรเิเก้าก็ร้อนอา่านกำลังเงินมันแยะเลยเกินเลยศึกไปทํางานเดินโชว์โชว์ก็เห็นอยู่พักหนึ่งแล้วส่งส่งไปสัมมนาประกาศ ร, รับปริญญาแปดอีกประกาศรับทีนี้มันเอาพวกพวกปริญญาศึกหมดแล้วก็เหลือพระ ก, ะ ก, ะกะระจกกระจกกับเฝ้าวัดกี่องั์เสร็จไม่เท่าไหร่ถูกไม่กี่ปีก็หมดทําไมมันทําลายอะไร แต่ว่าคนที่เป็นพวกอจรลาศรัทธาจริงๆเราจะเห็นว่าอาจรลาดศรัทธานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ศรัทธาที่มั่นคงจริงๆเนี่ยครับศทธาที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่ง่ายเลยลเราเราแกว่งไปแข่งมาแข่งมาแกว่งไปบางทีก็ออกจากการประฐานไปนั่งทรงเจ้าออกจากกรรมฐานไปนั่งทรงเจ้าหรือไปขอให้หมอดูดูดู ด, ดวงให้ นี่แสดงว่ามั น, อนงนอนแนองนครั น, นแคลนน่ะงอนแงนคลันแคลนน่ะไปสัมมาอาระหังอยู่พักหนึ่งไม่เห็นไอ้สี่ศอกห้าศอกสิบศอกอะไรแต่ได <c oughs> ก็ไปพุทโทธต่อไปอย่างหนอยุบหนอไม่รู้จะเอาอะไรนะ่ <c oughs> วิง่งไปตลอนตลอนไปทั่วทั่วทั่ววัดเลยทั่วทั่ ว, ท, วทั่วประเทศเลยนี่แสดงถึงว่างนอนแงนคลันแคลนไม่มั่นคงอะไรเแล้วลธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนนี่มันอยู่ชี้ใจเราอะกิเลสมันก็อยู่ตรงเนี้เราจะเห็นว่า อาชิถามมาวิญญาณสติปัญญาสตินามรูปจะดับที่ไหนพระเจ้ารับสั่งว่าวิญญาณดับตรงไหนมันก็ดับกันตรงนั้นเนี่ยวันนี้ผานมาเกิดตรงไหนนิพพานเกิดที่สมุทัยนิโรธมันเกิดที่สมุทัยพอนิโรธดับนิพพานก็เกิดตรงไหนจะดับตรงนั้นเลยเกิดแสงสว่างเกิดตรงไหนก็เกิดที่มืดเกิดที่มืดพอมืดหมดสว่างก็เกิดสว่างปรากฏมืดมันก็หมด กันกิเลสมันก็ดับที่ตอนนิโรธมันเกิดอ่ะสมุทัยดับตอนนิโรธเกิดอ่ะเกิดตรงนั้นก็เกิดที่ใจกิเลสสมุทัยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอ่ะที่ใจเราอ่ะเราไปวิ่งหากันอุตรลุดไปก็หาไม่เจอเพราะมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราไปหาข้างนอกนี่ก็คือความสับสนเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตัวอย่างนี่ดีมากที่ว่าพระัฒกามาทดสอบเลสุภพุทธะขอทานนะฮะขอทานแล้วก็โรคเรื้อนด้วย บ้านช่องก็ไม่มีอาจะนอนก็นอนแบบแขกกะไไปเนี่ยแต่ว่าแกปฏิเสธหมดเลยทัศน์ักดิ์บอกเธอเป็นกรรมพระอาณาทาขัดสนยากยากยากไรแก่บอโอ้ยแกมีทรัพย์นับไม่ได้เลยเพราะว่าในการพูดอย่างเนี้ย้ายไม่ได้ไทาาัศนกดตบมือตบมือเนี่เป็นนั้นนะฮะก็เรียกว่าเออเอเอเอประหารมือครับประหาร น, นิ้วตบมือนี่สดแสดงว่าไล่เลย เป็นเป็นเป็นสั ญ, ญลักษณ์อย่างหนึ่งตบมือแสดงว่าเลิกเลิกครบเลยมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขานะฮะประหารมือประหารมือคือตบมือตบมือไล่ทาสกันั้นต้องการทดสอบต้องการทดสอบพระท่านเองท่านไม่มียานอย่างรู้หรอกว่าว่าว่าสุปปบุธธาทากุติเป็นบรรลุมรคลอะไรพระตั้งก็เป็นพระโสดานะฮะท้าสกะเทวราช เดีวท่านต้องการทดสอบว่าเออไอคนอย่างเงี้ยมันเข้าไปเทศแล้วมันได้อะไรมาเข้าไปฝั่งเทศก็ออกมาทดสอบตัวพระพุทธกุติถ้าก็แสดงสถานะได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็ถือว่าทรัพย์ของท่านนั้นเป็นอริยะนะฮะเป็นอริยทรัพย์สถ า, ถ น, า, สะถ น, านะสีละสถานะนะฮะทรัพย์ทรัพย์เนี่ยไอทรัพยทพย์เจ็อริยทรัพย์ทั้งเจ็เนี่ยแสดงว่าซื้อไม่ได้ คนประเภทนี้ซื้อไม่ได้ให้ปฏิเสธพระรัชนตรยไม่ได้เป็นอจรยศรัทธาจริงๆคือไม่หวั่นไหวจริงๆแล้วไม่มีใครสามารถิโยครอนได้นะเราก็หายากเอาก็จริงก็หายากมันต้องขึ้นที่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าขึ้นขึ้นขึ้นถึงฝั่งนะฮะ ทรงแสดงประเภทคนที่ปลุกปุกโผลโปลคือเมื่อก็คนว่ายน้ำกุฏิยาแสดงภาพให้เห็นนะว่าคนบางคนเนี่ยมันเหมือนก็ว่ายน้ำจมหายลงไปเลยพอกระโดดลงน้ําแล้วจมหายลงไปเลยหมายความว่าไม่มีทางผุดทางเกิดไม่ยอมรับรู้อะไรเลยบางคนก็ปลุกปลกโปรโปลนะสาวันดีสวันร้ายข้าวัดมังกินเหล้ามั่งนะไอ้เที่ยวมั่งว่าไปเรื่อยๆนะและอีกคนบางคนมันประคองตัวได้ประคองตัวได้คือคือชะลอตัวไป ไปในน้าได้เหมือนก็คนที่ตั้งอยู่บนกุศลกรามบดนะจะมีหลักมั่นคงคือประคองตัวได้แต่ก็ยังอยู่ในน้ำนะฮะยังอยู่ในกระแสพวกกุศลไอพวกพว ก, พว ก, พว ก, กุศลกรามบดเนะี่ยยังไหลไปในสังสารวัตรยังไหลไปในกระแสคนบางคนนั้นขึ้นยืนได้นะฮะยืนบนฝั่งได้เรียกว่าไอหลุดจากกระแสหลุดจากกระแสที่จะต้องพัดผันแรงแต่ท่านก็ต้องเกิดอีกนะฮะ ประสวดบันเนี่ยกีก็คือแบบประโสดดบันาะงนั้นพวกระดับนี้จึงถือว่าเป็นอจลัสสถาที่แท้จริงแล้วก็มั่นคงจริงๆประการต่อไปก็คือเรื่องโควิดนะฮะท่านนึกออกนะว่าพระอริยบุคคลโดนโควิดตายหลายคนพระารก็มีพะยะธรุจิรยะที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะ แล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาติหรือที่เขามาแต่งเรื่องกามนะิษณะพระเจ้าปุกุสาติมาถูกโควิด ต, ตายนั้นก็เป็นพระนาาักธมีและนายโจรคราวแดงบรนลุศดาทรงภาษารีบุตรพระษาดีบุตรพ้นไปท่านกลับย้อนหลังมาไม่ถึงบ้านโควิด ต, ตายเหมือนกันนี่อีกคนหนึ่งท่านเหล่านี้ เป็นบาปรกรรมที่ตามมาะฮะมันก็ตามกันมาอุตรุดฮะตตามมาทันก็ก็คล้ายๆกับ เ, เรื่องของพระที่เลาใฟางังเมื่อกี้เนี่ยฮะ ท, ที่ตอนบรรยายคือมันมันไอชีวิตไอตายกับมรรคผลเนี่ยมันมาพอดีเลยพอดีมันลุมกมรรคผลปับ๊บก็ตายเลยสุปพุทธกุฏิก็มีลักษณะอย่างนั้น ไอบาปกรรมที่ทาให้ท่านเกิดมายากไร้แล้วก็เป็นโรคเรื้อนเพราะว่าไปแสดงอาการดุมบินพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตะการสิกี เ, เรื่องนี้เป็นคือวันก่อนมาไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปติงอาจารย์เขาคือก็เขียนปนะ้ายและว่าว่าให้คือเดินก้ค่าก็เดินรถอะรถรถเราเดินซ้ายอย่างมเดินแะรเดินซ้าย แล้วก็ให้เด็กสวนกันแบบสวนรถนะครัมาก็ไปติงเขาว่าในแนวพุทธนั้นถ้าเราสวนผู้ใหญ่เราต้องผู้ใหญ่อยู่ขวามือเราแต่เราจะเห็นว่าเราก็อยู่ในขวามือผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะสวนนี่เราสวนขวาสวนแบบพุทธนะจะให้พระจะให้ผู้ใหญ่เดินชายมือเราไม่ได้เราต้องหลบให้ท่านเดินทางขวามือเราซึ่งก็หมายความว่าก็ท่านลงมาอย่างนั้นท่านมาอย่างนี้เราไปอย่างนั้นก็ต่างคนต่างขวากันนะครัที่จริงอ ดินนั่นเขาก็สวนซ้ายะอะมาก็บอกว่าก็ให้ไปคิดดูใชให้ดีว่ามันมันทำเนียมจริงๆนะฮะเราถือขวาแล้วเป็นการแสดงความเคารพแล้วเราก็ขวาตลอดนะฮะทักกีนาวัดเวียนเทียนทักกีนาวัดอะไรตอะไรแขวนพระรูปอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าจีนถือซ้ายไทยถือขวารูปสุญญะเซนกับรูปในหลวงไปแขวนคู่กันเลยสบายมากเลยต่างคนต่างใหญ่เราก็ถือกันมาอย่างนี้ฮนะเพราะงั้นการบาปอย่างหนึ่งของ ออสุภวุตกติในสมัยเป็นเศรษฐีบุตรนะฮะในสมัยที่เป็นบุตรเศรษฐีก็โบราณการก็คือการแสดงอาการุมหมิ่นพระปัจเจกัพพุทธเจ้าโดยความรู้สึกนั้นก็คื อ, ค, อคือว่าตัวตัวเองแต่งตัวดีกว่าแต่งตัวดีกว่านะพระก็หัวโลดเนะถือบาทถมจิวรนะ์ไม่ได้เรื่องเลยเอ้ทำไมาคนมันล้อมลอะ ห้อมล้อมมันน่าจะมาห้อมล้อมดูแก่มันไม่น่าจะดูอะไรพระอย่างนั้น เ, เกิดเกิดมานะขึ้นมาเกิดดูหมินขึ้นมาการิษยาด้วยแหละการิยาด้วยมันก็ออกมากิเลสอย่างที่บอกว่า ม, มันเริ่มจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดินก็ไปเป็นแถวไปเลยที่จริงแกเริ่มจริงๆนั้นก็เริ่มมาจากความความกระด้างภายในใจของแกนะกระด้างภายในใงแกถือว่าแกเป็นลูกเศรษฐีแกสง่าแกสวยกว่าแกแต่งตัวดีกว่าอะไรต่ออะไรเนี่ย แล้วก็ออกมาเรื่อยมาจนถึงการทนไม่ได้ที่จริงเมื่อก่อนมันเป็นปทุสจิตเฉยๆนะจิตคิดปฐุสราเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ออกมาจนขนาดไปทนไม่ได้แรงไปทรมน้ํำลายรถพร ะ, ระพุทธเจ้าหาเรื่องเรียกคนมัาหาเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยพระท่านก็อยู่สวงพระท่านะไปก็ถรมน้ํำลายรถท่านแล้ในที่สุดไอบาปประกา ร, รนี้ก็ต้องชดใช้อคคระวะแล้วก็ ให้ท่านหลีกไปทางซ้ายมือเวลาสวนนั้นแทนที่จะสวนขวานะฮะไปสวนท้ายเลยให้ท่านหลีกไปทางซ้ายมือซึ่งเป็นอคาระวะสองชั้นนะฮะอักขาระวะชั้นแรกก็คือถ่มน้องลายรถอัการะวะชั้นที่สองก็คือให้ท่านหลบไปทางซ้ายมือของตัวเองเออนี่ก็เป็นบา ป, ปกรรมที่ท่านต้องชดใช้ก็ชดใช้กันไปในสางสารวัฏอนิเศษนะฮะเศษวิบากกรรมแต่กอย่างที่บอกว่าคนเรานั้น มันไม่ได้ทําชั่วเสมอไปอย่างพระเทวทัตซึ่งเรามองภาพท่านแล้วมันวุ่นคนนี้วุ่นจังไงแต่ถ้าเรามองกันจริงๆพระเทวทัตจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าในชาดก75็สอ่เเรื่องหรือห5 0ห้าิเรื่องหรืว่ามันมีอยู่สีห้าสิบแชาติตนันเองทีนี้พอดีคนไทยเรามาอ่านชาดกในทศชาติ ตัวชาติเดิมก็เจอกันอยู่เลยเพราะว่าเทวทัตบารมีเก่งเหมือนกันนะฮะไอเล่นเนะี่ยสร้างบารมีมาเยอะเหมือนกันเพราะงั้นแกนจะเราจะเห็นว่าแกเกิดเคียงเคียงกับพุทธเจ้ามันเรื่อยเรยบางทีเกิดสูงกว่าด้วยบางทีเกิดสูงกว่าพระโพธิสัตว์ ด, วดว้แต่ว่าที่ที่ประทุตราจริงๆมีอยู่ห้าสิบแปดชาติเท่านั้นนะในเฉพาะชาดกนะไอ้ที่อื่นเราไม่รู้เจ้าพ่อที่ท่านท่านแสดงไว้นะ่ะมีห้าสิบแปดชาติในส่วนความดีท่านก็ทำกับท่านเยอะ พระพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออถิศระในโอกาสต่อไปเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะฮะแต่เป็นปัิเจกพุทธเจ้าต่ออีกนานนะฮะอีกนานตอนนี้ก็ยังสบายๆอยู่ในนรกนะัก่นก็ต่อไปก็คือการที่ท่านสุ ป, ปพุทธกุฏิถูกฆ่านะฮะ เ, เรื่องนี้เรื่องเดียวกันงานเดียวกันนะ่ที่ที่ที่เล่ามาแล้วนะฮะ พวกนี้เคยในสังสารวัตรนี่เราจะเห็นที่จริงท่านอุบัติคนละจุดกันเลยนะโดยเฉพาะท่านบุกุสาตินี่อยู่นอนนะฮะตักกศิลานะอยู่ตักศิลาทางอินเดียทางตะวันตกอยู่ทุกวันรู้สึกจะอยู่ในเขตปากีสถานเ่ยใกล้ๆปากีสถานแต่ว่าเคยอย่างที่ทร ง, ทรงแสดงว่าในสังสารวัตรอันยาวนานเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นสามีเป็นพรนยาเป็นศัตรูเป็นอะไรนะคือคือคือสรุปเเคยเกี่ยวข้องกันเนะ่ยเคยเกี่ยวข้องกันในสังสารวัตมันเกี่ยวข้องยาวไกลหรือว่าใกล้นะฮะถ้าใกล้ความผูกพันที่แสดงออกมาทางด้านบวกด้านลบเจะนว่าความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยมาพบ ก, กันคราวแรกหรือความรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจรังเกียจเมืเ่อคราวแรกในพบคราวแรกนั้นเป็นอิทธิพลของสังสารวัตร ที่เราเก็บเอาไว้ในฐานะอะไรก็ตามนะในฐานะเป็นมิตรมันก็รู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยในฐานะที่เป็นศัตรูก็รู้สึกระแวงไม่ไว้ใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแต่บุคคลนั้นนั้นเป็นปัจจัยอดีตจริงๆแต่ปัจจัยปัจจุบันก็เปลี่ยนได้นะอย่างอย่างที่อธิบายมาในเรื่องกรรมว่าตัวประโยชน์คประโยค่สมบัติคือการประกอบกระทำในปัจจุบันมันเป็นตัวแปรได้หมดเลยคือสร้างขึ้นมาทางลบก็ได้ทางบวกก็ได้ก็ทํานองบุญในการก่อนนะฮะคือ ความดีในการก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเงินที่เรารับมรดกมานะฮะจะสร้างให้เราเป็นเศรษฐีก็ได้นะให้เป็นยาจบก็ได้เอาจ่ายมันมากมประเดี๋ยวมันก็จนนะจะเอาไปลงทุนดําเนินกิจการอะไรประเดี๋ยวมันก็รวยภาพเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นไอ้บุญกุศลมันก็มีาารัะหน่อย่างนะั้นแหะแต่เราเสริมสร้างขึ้นไปมันก็เดินในสายเรจริแต่เราทําลายขึ้นมาไอ้ความผูกพันต่างๆที่เรามีในดีตนะ มันก็จะเสื่อมไปโดยลําดับจนบางครั้งบางคราวแม้แต่ว่าทําบุญร่วมกันมาเป็นพ่อแม่ลูกกันถึงจุดหนึ่งระเบิดเปรี้ยง ก, ตกย็ตัดขาดกันเลยตัดขาดกันเลยคือมั น, ม, นมันไม่สร้างเหตุปัจจุบันนะเอากองกของของเก่ามากินหมดเลยของเก่ามากินหมดมันก็หมดสภาพเพราะว่าการจะยิงอาศัยเฉพาะอาดีตอย่างเดียนี่ไม่ได้ต้องใช้ปัจจุบันเข้าช่วยที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่า การเกือกูลกันในปัจจุบันการอยู่ร่วมกันในอดีตกับการเกื้อกูลกันในปัจจุบันมันจะเสริมในด้านบวกขึ้นนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีเฉพาะอดีตมันก็เหมือนกาเอาเงินมรดกมาจ่ายหมดมาหลังก็จนก็แตกแยกกันเออส่วนที่ท่านถูกโควิดนั้นอย่างที่เคยเล่ามานะฮะว่าชายหนุ่มสี่คนลูกเศรษฐีสี่คนในนู้นนั่นนี่กัเลยก็ไปอ่า ร่วมกับผู้หญิงแพทย์สยามสีนะฮะสี่คนแล้วก็มันก็เกินไปแล้วก็เหมือนคนสมนัยนี้มันก็เยอะไปคือไปหาความสุขกับเขาแล้วแล้วก็ฆ่าเขาด้วยคือคือนอกจากเบี้ยวไม่จ่ายเงินแล้วก็ฆ่าเขาปล้นทรัพย์ด้วยนั้งสี่คนเ น, นี่ยนั่งสี่คนนั้นเพราะงั้นผู้หญิงคนเนี้ยก่อนจะตายในแกอธิษฐานใจว่าเขขอจองล่างจองหลงงังกันทุกชาติเลยชาตินี้ที่จริงแกไม่ได้มาเกิดเป็นเป็นแม่โคแล้วนะฮะ แกเกิดเป็นยักษ์ขีนีไม่ใช่แม่โคตามไปแต่งคนแถวตักกัิลาแล้วมาแต่งมาแทงที่ราจเครือไม่ใช่อย่างนั้นนะแกเป็นยักษ์ขีนีเนี่นมาเกิดเป็นยักษ์ขีนีมาเจอกันหมดเลยในชาตินี้แต่พวกนี้ความดีก็กทําเยอะนะฮะความดีก็กทําเยอะนะอมาก็มาขิดอะไรปุกุษาติตายนะฮะภพยยะธรุจิรยะตายในโจรข่าวแดงตายแล้วก็สุภวุตตัติตายสี่คนนี่ยมาเกิดตายเรียบเลย แต่ก็บรรลุมรควุนหมดทั้งสคนเหมือนกันนะฮะในส่วนความดีของเขาเพราะพวกชุดนี้นะฮะที่เคยเล่าในเรื่องประวัติของพระกุมารกัสจป่มบางคนพระสูติมันโยงกันเป็นแถวอะเรื่องคนคนในสังสารวัตรโยงกันเป็นแถวอย่างอย่างนี้อย่างสมมุติเราจะแตะที่ประวัติของนางวิสาขาเนะะี่ยเราจะไปดึงเอาพระเทรีอีกเจดเอ่อหท่านเข้ามาเลยพวกนี้เคยเป็นพี่เป็นน้องเคยทําบุญเคยทํากุศลกันมาแต่แต่นางวิสาขานี่รู้สึกว่า เน้นไปในเรื่องพื้นพื้นนะฮะเรื่องศีลธ ร, รมจัญญามากเพราะงั้นคนอื่นก็บังลุกมักผลไปเป็นพระอาหาหันกันไปเยอะเพี่สาวนะชาติก่อนๆพระอุบลวรรณเถรีเนี่ยก็เคยเป็นพี่สาวนะัวิชากาพระเขมาเนี่ยฮะก็เคยเป็นพระเถรีผู้ใหญ่กับพวกเราเนี่ยพวกพระ ญ, ญ, ญาติสาวกถ้าเราดูลำโยงกันเป็นสายระโยงระยางหมดเลยมือมัอนตาขายมาแมลงมุม ในการทําบุญบ้างทาบาปบ้างกันไปแน่บาปก็บาปไปชดชช้กันไปนะฮะบุญก็รับผลกันไปท่านเหล่านี้สี่คนคุรบุสี่คนที่เคยเล่ามาสมัยนา น, หนแหละรู้สึกจะเป็นเรื่องโจรพระพายะนะฮะพายะธาุจิรยะพ่าสี่คนที่ถูกที่ถูกโคกิด ต, ตายนี่ก็มาคนนี้ก็เลยหมดเลยนะฮะหมดแล้วทั้งสี่คนนี่ก็คือคือบาปก็ให้หน้าที่ไป บุญก็ให้หน้าทีา่ทําหน้าที่ของตัวไปมันก็แยกเส้นทางกันแล้วก็พอดีมันมาทันด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่พอดีนะบุญมาแซงก่อนบุญระนับสนุนจนบรลุมรคผล่นจะก่อนได้ไม่งานในแลกลยะนะฮะพะโกหกปิดตายยังไม่มีอะไรเลยก็ตกนรกต่อหรือ ว, ว่าเกิดก็เกิดไม่ดีแต่นี้เป็นเป็นคติแน่นอนปิดประตูจะตุรบายได้ทั้งๆ้ที่ตายโหงนะฮะแต่ปิดประตูจะตุรบายได้เพราะเป็นพระรบุคคลระดับสูดับบันนี้ก็พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าผู้มีปัญญานั้นควรจะ ละเว้นการกระทำบาปเหมือนคนที่มีตาเห็นว่าที่ตรงนั้นมันเป็นลุ่มมันเป็นมีขวากมีน้ําให้บอแล้วก็ลีกเนี่ยอย่าไปทางนั้นไปทางที่มันสร้างความสวัสดีให้แก่ตนนี้ก็ยกตัวอย่างเฉพาะที่พระเนื้อที่ที่ที่นายสุภาพสุภาพสุปปพุทธกุจิแกเบียดเบียนพระตะกรสิกขีปัจเจอกับพระเจ้านะทรงยกตัวอย่างว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นแกก็ไม่เป็นอย่างนี้ แต่ที่แกเป็นอย่างนี้เพราะแกทำอย่างนั้นวันนี้ก็หมดเวลาขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอ